บทที่21เรียนพิเศษสาวน้อยผู้เป็นหวานใจของเขาเป็นคนมาเปิดประตูรั้วให้ต่างฝ่ายต่างเขินกันหน่อยๆเพราะการพบกันครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างไปจากเดิมทั้งฐานะที่ขยับจากเพื่อนเป็นแฟนและทั้งเป็นวันแรกของการสอนพิเศษที่ตกลงกันแล้วว่าจะให้มีอย่างต่อเนื่อง นัเลอยู่ในชุดกระโปรงยาวสีชมพูหวานส่วนเขายังอยู่ในชุดนักเรียนตามเดิมเพราะบ้านอยู่ไกลเกินกว่าจะกลับไปอาบน้ําแล้วถอสังขารมาสอนแฟนต่อทรายใส่ชุดนี้แล้วน่ารักดีนี่จองเลิกชมแล้วหัวเราะแก้ประมาทนชเลยกคิวนิดๆถ้าน่ารักแล้วทําไมต้องหัวเราะด้วยละ่ะคงเพราะเหมือนตัวตลกมากกว่ามั้งอ่าไม่ใช่ทําหน้าพยายามคิดมุกแต่เวลาน้อยคิดไม่ออก เลยบอกตรงๆเส้นตื้นเพราะประมาทนความน่ารักไม่ไหวต่างหากเด็กสาวได้ยินคําพูดซื่อๆเช่นนั้นเลยขาเซเองจองเลิกดูไม่มีพิตภัยเลยจนนิดเดียวสําหรับหล่อนแล้วทายละ่ะขาอะไรก็เลิกเหมือนมีสองคนทําหน้าแบบหนึ่งออกจะดูเจ้าเล่ห์น่ากลัวแต่ทําหน้าอีกแบบหนึ่งกลายเป็นซื่อๆเด๋อๆได้อย่างนี้ตอบตรงๆอย่ากโกรธละ่ะจองเลิกยิ้มเจรอน แค่ไม่เหมือนตัวโกงในอุดมคติก็ดีใจแล้วนัชเลหัวร้อร่วนเข้าบ้านกันเถอะพ่อแม่ซายรออยู่เด็กหนุ่มฟังแล้วรู้สึกคล้ายกำลังจะขึ้นศาลขาเก้าไม่ออกพ่อแม่ซายรอเราอืมเราจะมาสอนซายไม่ใช่เหรอแมะก็ไปไหว้ไปคุยทักทายสักห้านาทีตามธรรมเนียมไงเปิดฉากวันแรกจะเดินผ่านผู้ใหญ่ไปเฉยๆเลยหรือเอ <A. S 1> แต่ บรรยากาศมันหนาวๆยังไงพี่กนแฮะพ่อแม่ซายรออยู่ฟังไม่ค่อยเหมือนรอทักทายตามธรรมเนียมเลยคิดมากหนะ้าดูทำท่าเขา้านึกว่าเขาจะต้อนรับด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าหรือจองเลิศกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆความจริงเขาไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนหรอกแต่อาจจะเพราะเขาเป็นคนคุยยากโดยเฉพาะกับคู่สนทนาต่างวัยยิ่งผู้อาจเป็นพ่อตาแม่ยายในอนาคตด้วยอย่างนี้ ตัวบ้านข้างหน้าจึงปรากฏคล้ายโตสอบสวนอย่างไรชอบกลหันมองดวงหน้าสวยหวานอันคล้ายแกะออกมาจากฝันดีที่สุดในชีวิตแล้วสั่งตัวเองสั้นๆว่าเอาวะก็แค่ก้าวเดินไปเรื่อยๆแล้วจะเจออะไรก็ให้มันเจอไประหว่างเดินก็คิดปลอบตัวเองว่าดีเหมือนกันอย่างนี้ถึงจะได้ความรู้สึกว่า น้ำทะเลมีเจ้าของมีผู้ปกครองมีคนเลี้ยงดูซึ่งก็หมายถึงหล่อนมีค่ามีราคาให้ต้องใช้ความพยายามฝ่าฟันเพื่อสู่ขอมาจากเจ้าของเดิมคนรุ่นเขามองเห็นอะไรอย่างนี้กันน้อยลงเผลอนึกว่าแต่ละคนเป็นอิสระจึงคบหาและกำหนดความสัมพันธ์ตื้นลึกกันเอาเองตามอำเภอใจไม่จาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องสิทธิ์อันชอบธรรมใดๆให้มากความ และสุดท้ายก็ได้แต่มีหัวใจฉาบฉวยหยาบกระด้างเพราะพากันฝังความรักไว้ใต้ฝาตีนกามกันหมดเข่าอ่อนนิดๆเมื่อย่างเท้าเข้าเขตห้องรับแขกซึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศไว้เย็นช่ำพ่อแม่ของนัชเลนั่งเคียงกันบนโซฟายาวจองเลิกยกมือไหว้ทั้งสองตัวรีบสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีชายในวัยประมาณห รับไหวพร้อมเอ่ยทักทายส่วนรสรินนั้นเพียงรับไหวและยิ้มบางๆให้จองเริกอดคิดไม่ได้ว่ารสรินจับจ้องเขาอย่างเปิดเผยดูง่ายกว่ากำลังจะทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบแต่คนพ่อสิดูยากแม้ยิ้มยิ้มตามสบายเด็กหนุ่มก็สัมผัสได้ถึงความเล่งคนลึกเขาเข้าใจดีว่าการใช้ความเป็นกันเองมาเป็นอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบนั้น ทำให้เห็นทรายเห็นพุงใครต่อใครถนัดกว่าอุบายวิธีใดอื่นสิน้นนั่งสิปนิธานเอ่ยเชื้อเชิญด้วยน้ำเสียงมีไมตรีจองเริกก้าวลงนั่งฝั่งตรงข้ามผู้ใหญ่ตามคำเชิญพอจะหันไปหานาเลก็เห็นหล่อนเดินหายไปจากห้องและนั่นก็ทำให้เขาขยับเรากับจะเรียกรังไว้ทายเขาใหเอาน้ามาให้เิกนั่นแหละผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวอธิบายพร้อมนึกตัดคะแนนอยู่ในใจ ท่าทางเข้าผู้ใหญ่ไม่เป็นพอจะต้องนั่งกับผู้ใหญ่ตามลําพังถึงกับออกอาการลุกเรี่ลุกหลนอย่างนี้ครับอาคันตุกะหนุ่มบังคับเสียงไม่ให้ตะกุกตะกักตอนแรกพอรู้ว่าซายอยากเรียนพิเศษพ่อนึกว่าจะเป็นติวเตอร์รับจ็อบตามบ้านที่ไหนไม่นึกว่าจะเป็นเลิกนั่นเองจองเลิกยิ้มแห้งๆครับแต่พอซรายเข้ารับประ ก, กันว่าเลิกมีความรู้ความสามารถยิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญอายุมาก ก็ถือว่าโอเคพ่อเชื่อว่าเลิกต้องแน่มากสายเขาทึ่งเชียร์อย่างนั้นตั้งแต่เด็กสายเขาไม่เคยขอเรียนพิเศษมาก่อนเลยนะเรื่องคอมเก่งการพอตัวเลยละ่ะตอนเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนี่ประกอบคอมเองได้แล้วก็เขียนโปรแกรมอะไรง้วนได้นานๆท่าทางคล่องเชียวเพิ่งครั้งนี้ที่ขอเออสายเขาใช้คําว่าขอดูดวิชาจากคนเก่งครับ ขณะนั้นเจ้าตัวที่ถูกกล่าวถึงเดินเข้ามาพร้อมกับแก้วน้ำผลไม้บรรจงวางลงที่ขอบโต๊ะตรงหน้าแฟนหนุ่มซึ่งเขาก็ขยับแข้งขาหลุกหลิกเอ่ยขอบใจเบาๆจากนั้นเด็กสาวก็วางถาดแล้วลงนั่งเก้าอี้ด้านข้างมาอยู่ข้างเดียวกับเขาทําให้จองเลิกใจชื่นขึ้นกว่านั่งอย่างโดดเดี่ยวมากมายพอได้กำลังใจเด็กหนุ่มก็กระแอมและพยายามเปลี่ยนตัวเองจากนายครับ ลูกเดียวเป็นนายจองเริกผู้พูดจาได้เหมือนมนุษย์มนาปกติผมดีใจที่ซายเชื่อมือและคุณพ่อให้โอกาสกับผมครับปณิธานพงกศสีสานนิดหนึ่งรสรินเอ่ยแทกนิ่มๆเครดิตเด็กดีที่เชื่อถือได้ของหนูซายก็คือโอกาสที่เริกว่านั่นแหละตราบใดซายยังทำตัวไว้ใจได้ตราบนั้นเธอก็คงจะน่าไว้ใจอยู่ มารดาของนัชเลพูดทีเดียวเล่นเอาขาเกรงจ้องเริกหันไปยิ้มให้หล่อนแยแยเคยสอนที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านั่นเป็นคำถามนุ่มนวลจากผู้พ่อปกติแค่ติวเพื่อนในห้องเท่านั้นครับเขาติวเลขให้ทายมาตั้งแต่เด็กเลยข้าพ่อนัชเลให้กำลังใจออกนอกหน้าสอนเก่งจริงๆเลย จำได้ว่าโจทยากยากนี่เขาอธิบายวิธีแก้สั้นๆทายฟังแล้วเหมือนมีคนมานำออกจากเขาวงกฎเห็นลูกสาวทําท่า ป, ปริ่มปณิธานก็เลิกคิ้วสูงในเชิงสนับสนุนขอให้เป็นผู้รู้จริงแจ่มแจ้งเถอะจะเป็นทางลัดให้กับคนอื่นได้เกินกว่าอะไรหมดเรียนด้วยแบบตัวต่อตัววันเดียวอาจได้แก่นสารมากกว่าต้องเสียเวลาศึกษาเองเป็นปีๆว่าไปแล้ว ยุคนี้เป็นช่วงต่อของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่คนรู้เทคโนโลยีส่วนใหญ่อายุน้อยๆทั้งนั้นอายุไม่ถึง20มีไฟกระตือรือร้อนพอจะได้เป็นแฮกเกอร์ระดับโลกกันโครมครามคนรุ่นเก่าตามไม่ทันหรอกเพราะงั้นไม่น่าแปลกถ้าติวเตอร์อายุน้อยอาจจะเหมือนประมาจารย์เสยยิ่งกว่าครูสอนอายุมากเพรสรินเอยซักบ้างแล้วจะเรียนจะสอนอะไรกันหรือกะว่านานสักแค่ไหน สายมีเรื่องที่อยากรู้เยอะค่ะแม่เชื่อว่าคงต้องใช้เวลา น, นิดหนึ่งกว่าจะโกววิชาได้หมดหนุจะเอาความรู้พิเศษไปเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะต้องใช้สอบเอนทรานช์ใช่ไหมค่ะไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ก็ไม่แน่ถ้าถามถามดูเห็นแววว่าวิชาหลักที่ต้องใช้สอบเขาเก่งกว่าทายสายก็จะให้ติวอีกรับรองว่าคุ้มค่ะแม่เอาเถอะปณิธานตัดบท ลูกก็โตแล้วเลือกที่จะเป็นใครคนหนึ่งในสังคมได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าขวนขวายอยากหาวิชาความรู้แบบไหนมาปลูกทางข้างหน้าให้ตัวเองพ่อแม่ก็ส่งเสริมทั้งนั้นเห็นว่าคุ้มค่าทั้งนั้นจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการเอนทราน์ก็ตามจริงๆแล้วผมก็เรียนพิเศษกับทรายมาระยะหนึ่งเป็นจังหวะที่จองเริกเริ่มคุ้นและเอ่ยปากได้โดยไม่รู้สึกว่ามีครีมขี้ปากอยู่ งั้นหรือเป็นครั้งแรกที่ปณิธานเห็นจองเลิกพูดน่าสนใจอย่างน้อยก็ทําให้เขาต้องหันไปถามลูกสาวสายติ ว, วิชาอะไรให้เพื่อนหรือลูกนัชเลกระพริบตาปริบ ป, ปรปไม่ทราบจะตอบอย่างไรเหมือนกันภาวนาว่าจองเลิกอย่าได้โม้เกินเหตุเพราะรู้จักนิสัยพ่อแม่ของตนดีคือถ้าจับได้ว่าอําก็จะเลิกไว้เนื้อเชื่อใจทันทีไม่ใช่วิชาในโรงเรียนหรอกครับ จองเริกเป็นฝ่ายสารต่อประเด็นใหม่ของตนเองผมทราบมารยะหนึ่งว่าบางวิชาที่มีค่าจริงๆจะไม่สอนกันในโรงเรียนหรือถึงแม้พยายามวางหลักสูตรก็ทำไม่ได้ดีต้องหาเรียนพิเศษกันเองต้องมีความใฝ่ใจเอาเองและอาจจะต้องโชคดีเจอคนสอนได้เองที่นอกโรงเรียนแล้วเขาก็ยิ้มอ่อนโยนทายสอนสิ่งที่พิเศษพอจะเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีใช้เวลาในแต่ละวันของผมได้ปณิธานย่นคิ้วแต่แย้มปากยิ้มถามน่าสนใจยกตัวอย่างได้ไหมว่าเริกเปลี่ยนแปลง ก, การใช้เวลาอย่างไงตั้งแต่เด็กจนโตผมขาดคอมพิวเตอร์ไม่ได้มันเป็นยาเสพติดของผมแต่พอเรียนรู้อะไรดีๆจากซายผมก็อยู่กับคอมพิวเตอร์น้อยลงและหันมาใช้เวลากับหนังสือที่ซายให้อ่าน ผมไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าตัวเองจะออกห่างจากคอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกห่างมาเพื่อจะอ่านหนังสือธรรมะรสรินนั่งฟังอยู่ความที่รู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับเด็กหนุ่มมาก่อนทําให้เกิดอคติเห็นว่านั่นเป็นวิธีโฆษณาตัวเองที่น่าหมันไส้อย่างไรหล่อนก็อดมองไม่ได้ว่าเขาอยู่ในช่วงระยะที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อชนะหัวใจผู้หญิงที่เขาหลงเท่านั้น ที่ทำงานแม่มีโปรแกรมเมอร์เก่งๆหลายคนสาวใหญ่เอ๋ยเนิบๆพวกนั้นพูดไม่เก่งแบบเลิกเลยสักรายถ้าฟังถ้อยคำอย่างเดียวจะเหมือนชมแต่สำเนียงคล้ายเหน็บแนมพิโก้นั้นทำให้จองเลิกรู้สึกสะดุดเหลือไปทางมาดาของนัชเลเห็นกระแสความเป็นปฏิปักษ์แฝงเงาอยู่ในท่าทีสงบเฉยแต่ความที่เคยได้ยินบ่อยว่าแม่ยายกับลูกเขย มักไม่ค่อยกินเส้นกันโดยธรรมชาติเพราะคอยเพ่งเล็งจับผิดด้วยความกลัวว่าลูกสาวจะตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีจึงไม่ถือสาและพยายามไม่คิดมากว่าฝ่ายนั้นรังเกียจตนอาจจะแค่อยู่ในขั้นขวางหูขวางตาที่มีหนุ่มมาเกาะแกะลูกสาวของเธอขณะยังไม่บรรลุนิติภาวะกระมังต่อคำทักของรสรินว่าตามจริงช่วงหลังเขาก็สังเกตตนเองอยู่เหมือนกัน จากเดิมที่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นมากเพียงเพราะการต้องคุยโทรศัพท์กับนัชเลเป็นกิจวัตรสติสมรชัญญาของเขาก็แล่นมาเกาะอยู่กับภาษามนุษย์แทนที่จะจมปลักอยู่กับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเคยๆฉะนั้นอยากเฉลยว่านัชเลนั่นเองเป็นเหตุเป็นแรงจูงใจรวมทั้งเป็นต้นแบบเขาคุยด้วยบ่อยๆแล้วติดโครงสร้างวิธีคิดพูด จากหล่อนมากระแสทางใจที่เป็นไปในทางนุ่มนวลอ่อนโยนของหล่อนมาอยู่ในใจเขาทําให้เขาพูดออกมาจากใจที่นุ่มนวลเป็นแต่ด้วยเกรงว่าจะเหมือนเยินยออะไรอะไรก็มีนชเลเป็นต้นเหตุไปหมดจองเลิกเลยพริกแพลงคําพูดเสียหน่อยผมคงต้องฝึกพูดให้เก่งๆครับคุณแม่เอาไว้สอนคอมพิวเตอร์ให้ทรายได้รู้เรื่องที่ผ่านมาหลายครั้งชอบโดนเพื่อนบ่นว่าพูดจาไม่ได้ความ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ค่อยเป็นความถ่อมตัวก็เป็นอีกเสี้ยวนิสัยที่ติดมาจากนัชาเลเขารู้จักดึงข้อบกพร่องของตนมาพูดประกอบตามจริงแต่ขณะเดียวกันก็ให้เห็นว่าเขากำลังใส่ใจแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่แค่มาสอนลูกสาวคุณแม่ตามมีตามเกิดเท่านั้นและเพราะวิธีถ่อมตัวอย่างฉลาดของจองเริกทาให้รสรินพอใจขึ้นอีกนิดวันนี้หลอนเล็งเด็กหนุ่มหลายรอบ คิดว่าไม่ใช่อุปทานที่เห็นสายตาชาเย็นผิดมนุษยมนาของเขาแปรไปคือดูมีความคิดความอ่านเหมือนผู้เหมือนคนมากขึ้นช่วงเวลาเพียงสองสามอาทิตย์จิตวิญญาณคนเราแตกต่างไปได้ขนาดนี้เชียวหรือแล้วหล่อนก็นึกขึ้นได้ใกล้คนเช่นไรติดใจคนแบบไหนก็มีความโน้มเอียงที่จะกลายเป็นคนเช่นนั้นดูอย่างท่านองคุริมานปรร สามารถเปลี่ยนจากมหาโจรร้ายผู้ค่าชีวิตมนุษย์เป็นอาชีพกลายเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ในวันเดียวเพียงเมื่อพบยอดกัลยาณมิตรเช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือว่าลูกสาวของหล่อนคิดถูกนัชเลมีอำนาจมากพอจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้จริงๆหากเป็นเช่นนั้นโดยไม่มีรายการพลิกล็อกในภายหลังก็ดีหรอกแม่ว่าเิกเป็นคนเก่งนะพ่อหนูสายขอเรียนพิเศษด้วย ก็ไม่ได้กังขาอะไรไม่สงสัยเท่าไหร่ว่าทำไมถึงเลือกครูเป็นเด็กรุ่นเดียวกันรสรินเอ๋ยชมแบบแถมสำเนียงเนบเล็กน้อยเป้าหมายของทรายคือเก่งคมให้ได้เท่าผมจองเลิกเอ๋ยนิ่มนวลส่วนเป้าหมายของผมคือรู้ในสิ่งที่ควรรู้ให้ได้เท่าทรายนับกันจริงๆผมเป็นฝ่ายมาเอาไม่ใช่มาให้ สีหนารสรินคลายความเคร่งลงเกือบหมดสังเกตดีๆเริ่มมีรอยยิ้มหน่อยๆแล้วคบหากันในขอบเขตนี้ได้ก็ดีแลกเปลี่ยนสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งมีอีกฝ่ายหนึ่งขาดเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ชนิดเกื้อกูลกันความรู้สึกที่มีให้แก่กันทั้งชาตินี้และชาติหน้าจะเหมือนเพื่อนรักที่ผูกพันแน่นแฟนเสมอกันไม่มีใครมองใครเป็นลูกไ่จองเริกยิ้มกว้าง ความรู้สึกฉันเพื่อนที่เสมอกันเป็นความอบอุ่นลึกซึ้งซึ่งหาได้ยากในโลกและพอตรองตามหลักกรรมวิบากขั้นพื้นฐานที่มารดาของนัชเลก่าวเขาก็คล้อยตามด้วยความเห็นจริงเพื่อนธรรมดาหาง่ายส่วนเพื่อนรู้ใจที่เกิดจากใจเสมอกันจริงๆนั้นหายากเหตุก็เพราะขาดการเกื้อกูลที่เสมอกันนั่นเองกว่าตาแลไปจะเห็น คนคบกันสักกี่คู่ที่เกือ้อกูลกันโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบหรือเอาแต่แบมือขอท่าเดียวเขาเข้าใจกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ้นทีละข้อทุกวันและเห็นตัวเองฉลาดขึ้นในอีกแบบหนึ่งแตกต่างจากความฉลาดที่ผ่านมาเป็นคนละเรื่องใจยิ่งนึกพอใจเส้นทางนี้มากขึ้นทุกขณะและคิดจริงๆว่าจะเอาดีอย่างน้อยเท่านันชเลให้จงได้สนทนากันอีกพัก ผู้ใหญ่ของบ้านก็ขอตัวออกจากห้องเปิดโอกาสให้เรียนพิเศษกันสองวัยรุ่นมานั่งกันที่โต๊ะขนาดกลางซึ่งมีไว้สำหรับให้ปนิธานหรือรสรินหอบงานบริษัทมาทำต่อบนโต๊ะมีโนโต้ตบุ๊กซึ่งนัชเล ก, กับพี่สาวผลัดกันใช้มันกลายเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงชิ้นเดียวสำหรับวันแรกทายอยากเรียนอะไรเหรอเลิกเตรียมอะไรมาสอนทายละ่ะแฟนสาวย้อนถาม จองเลอกแบมือแสดงความว่างเปล่าแต่ในตาคมปราบฉายแสงแรงแสดงความเชื่อมั่นในความเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ของตนทํานองบอกว่าเธออยากได้คำตอบอะไรก็ถามฉันมาเถอะตอบให้ได้หมดงั้นเอางี้เด็กสาวถูมือก่อนอื่นคุณครูแสดงให้ชมเป็นขวัญตาหน่อยได้ไหมว่าทำอะไรได้แค่ไหนตอนอยู่บนอินเทอร์เน็ต เด็กหนุ่มมองอาการอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนสาวอย่างเข้าใจใครๆก็ชอบเห็นปาฏิหาริ์กับตาตนเองทั้งนั้นก็ดีเหมือนกันอาศัยมายา ก, กลเป็นการโหมโรงเรียกน้ำย่อยเสีนหน่อยต่อไปจะได้เชื่อมือครูหมดหัวใจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านของจองเลิกเปิดพร้อมและออนไลน์อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเผื่อต้องใช้ข้อมูลจากเครื่องเขาในการสอน บัดนี้เมื่อนักเรียนสาวขอให้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์จึงนำแผ่นซีดีรอมที่นำมาด้วยติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ลงในโน้ตบุ๊กของหล่อนจากนั้นต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับคอมของตนในไม่กี่อึดใจต่อมาก็เห็นทุกสิ่งเสมือนไปนั่งหน้าเครื่องที่บ้านเขาทุกประการจองเลิกหันมาเลิกคิวให้แฟนสาวถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนรู้ข่าวรอบโลกจากไหน ชายจะตอบว่ายังไงนัชเลใจเต้นระทึกพอๆกับกำลังจะชมมายากลชุดใหญ่เพราะสังหอนว่ากำลังจะเห็นอะไรที่ไม่ธรรมดานักเดี๋ยวนี้คนรู้ข่าวจากไหนเหรอเออก็แหล่งข่าวใหญ่ๆอย่าง CNN ไงจองเริกพยักหน้ายิ้มรับและคีที่อยู่ของไซด์ข่าวจอมอิทธิพลเพื่อเรียกดูหน้าแสดงเนื้อหาในนาทีนี้ขึ้นมาระหว่างนั้นก็พูดไปเรื่อยๆพวกสื่อ ที่เป็นมหาอำนาจกําลังแข่งกันแย่งผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวบนเน็ตกันอย่างเอาเป็นเอาตายวัดการแต่ละเดือนจะมีชาวโลกราว2 3 0ล้านคนเข้าไปดูข่าวของสื่อพวกนี้และแต่ละนาทีอาจมีคลื่นพ ล, ลโลกเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนที่ถมเข้ามาอ่านข้อข่าวจากเว็บขึ้นอยู่กับความสาคัญของสถานการณ์ในแต่ละช่วง นัชเลนิ่งฟังตาแป๋วขณะนั้นจองเลิกเลื่อนหน้าเว็บลงไปหาข่าวย่อยในหมวดธุรกิจคลิกข้อข่าวชื่อ r a n d ี r ริชาร์จิที่ปรากฏเนื้อหาข่าวยาวเหยียดในเวลาไม่เนิ่นช้าทายรู้ไหมกลุ่มอิทธิพลจำพวกเดียวกับไซส์ CNN เนเนี่ยเป็นเป้าอันดับต้นๆของผู้ก่อการร้ายเลยมีการพยายามทะลวงระบบเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้กลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อ หรือเผยแพร่คาขูขวัญคุกคามชาวโลกกันอย่างอุตลุดดังนั้นจึงต้องมีมาตรการป้องกันการบุกรุกระดับสูงสุดกับทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลระวังกันตลอด24ชั่วโมงไม่คลาสายตาพูดง่ายๆคือไซส์ข่าวยักษ์ใหญ่เป็นพวกมีช่องโหว่น้อยที่สุดแฮกยากที่สุดท้าทายความสามารถอย่างที่สุดญิงสาวยิ้มไม่สนิทนก ที่ไหนมีความท้าทายที่นั่นต้องมีเงาของเธอไปทาบกลางสนามอยู่เสมอเลยใช่ไหมจองเริกชะงักเงียบไปอึดใจก่อนตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกคบใครถ้าเราอยู่ในชุมชนแฮกเกอร์ที่มีแต่การปลุกฝังสำนึกของการแข่งขันการเอาชนะและความฉลาดกลบเกลื่อนร่องรอยก็แน่นอนว่าเราชอบความท้าทายเป็นชีวิตจิตใจแต่พอเราเจอทราย ก็เหมือนเห็นเป้าหมายสุดท้ายเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงคว้าเหยื่อล่อชิ้นเล็กอื่นๆเพียงเพื่อพบว่าอาจสูญเสียเป้าหมายสุดท้ายอย่างทายไปนัชเลยิ้มตื้นตันและหัวเราะในลําคอ พ, พึมพำพอได้ยินเดี๋ยวนี้คารมเข้าขั้นละลายกันได้เลยนะพัฒนาเร็วจริงๆสำเนียงหวานอย่างเปิดเผยครั้งแรกของแฟนสาวทาให้มุมปากของจอมแฮกเกอร์คลี่ออกเป็นยิ้มนิดหนึ่ง แต่เขาก็ยังมองจอมอนิเตอร์นิ่งสองมือเคลื่อนไหวรวดเร็วเรียกโปรแกรมเจาะระบบซึ่งพัฒนาขึ้นเองขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งเห็นเป็นเหมือนกับหน้าต่างเว็บข่าว CNN เมื่อครู่ทุกประการนักียมองปราดเดียวก็ทราบว่าโปรแกรมนั้นเปิดตัวขึ้นพร้อมก็อปปี้ข้อมูลจากเบราว์เซอร์ซึ่งเปิดอยู่ล่าสุดเด็กหนุ่มผู้มีความเป็นอัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์เลื่อนหน้าลงมาประมาณกลางๆงข่าว กะว่าเป็นจุดอันไม่เป็นที่สังเกตของใครแล้วปาดเลือกคำว่า off พิมพ์แก้ลงไปตรงตรงเป็น all ซึ่งจะเปลี่ยนกลุ่มคำเดิมจาก maker of data เป็น maker all data อ่านเพืนเพ่นๆจะไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นจุดผิดพลาดหรือแม้เห็นว่าเป็นจุดผิดพลาดก็เล็กน้อยมากจนไม่นึกโทษเจ้าหน้าที่ CNN ผู้ถ่ายทอดข้อมูลนั้นกัน พอแก้เสร็จก็คลิกปุ่มอัปเดต ท, ทีเดียวแล้วกลับมาอย่างเบราว์เซอร์เดิมคลิกรีเฟชแล้วเลื่อนข้อมูลลงมายัางตำแหน่งที่เพิ่งแก้ให้แฟนสาวชมนัชเลถึงกับตาโตคนลุกเกลียวเมื่อพบว่าข้อมูลของเว็บ cnn พลอยถูกเปลี่ยนไปด้วยซึ่งจะแปลเป็นอื่นไปไม่ได้จองเลิกสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลของ cnn ได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดในโลก ตามต้องการทุกเวลาลองคิดดูนะจองเริกเอ่ยน้บเสียงปกติเรากับเพื่อแก้ไขข้อมูลการบ้านประจำวันธรรมดาแทนที่เราจะเปลี่ยนตัวอักษรตัวเดียวในหน้าข่าวย่อยที่ไม่มีใครให้ความสำคัญแต่ไปอัปเดตข่าวพ้าดหัวหน้าแรกเป็นอะไรเช่นนิวยอร์กถูกถล่มราบเป็นหน้ากลองด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของบิลลาดินอะไรจะเกิดขึ้นนชเลกลือน้าลายแทบไม่ลง จินตนาการถึงมหาโกลาหลนที่จะอุบัติอย่างรวดเร็วเป็นไฟลามทุ่งนาทีเดียวจะมีคนสักหมื่นหรือสักแสนหรือกว่านั้นที่ตรหนอกอกสั่นขวันแขว น, ขวนจนเหงื่อตกและแตะแบ่งเสงี่ยงแท้กระจายข่าวให้คนนับสิบหรือนับร้อยรอบตัวรู้ข่าวอัปมงคลกันในสองสามพริบตาแม้ห้านาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ CNN อาจสังเกตพบข่าวโคมลอยขย่าควันเข้า และแก้ข่าวกลับคืนเป็นปกติดังเดิมก็คงไม่ทันการความสับสนคงแผ่ลามไปกว้างไกลทั่วทุกมุมโลกเสียแล้วเด็กสาวสัมผัสได้อย่างแจ่มชัดว่าชั่วขณะปัจจุบันโน้ตบุ๊กธรรมดารรมดาตรงหน้าทรงศักยาภาพกระทบกระเทือนยิ่งใหญ่เสียกว่าไม้เท้าพ่อมดนับพันเพราะมันสามารถก่อความวุ่นวายขนาดใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกได้รวดเร็วเกินจินตนาการ หายใจไม่ทั่วท้องแฟนนุ่มเพิ่งก่ออาชญากรรมออนไลน์ไปสดสดร้อนๆโดยใช้คอมพิวเตอร์ของหล่อนในบ้านของหล่อนพรุ่งนี้จะมีเอ i บมากดออดบ้านซายไหมเนี่ยไม่หรอกพวกนี้ทำงานเร็วจะตายสิบนาทีก็มายืนข้างหลังซายได้แล้วมุกขำขันนั้นทำให้นัชเลเครียดและหัวเราะไม่ออก เงยหน้าจากคอมขึ้นจ้องตาเพื่อนชายด้วยสายตาเป็นกังวลจริงจังจนจองเลิกต้องเลิกพูดเล่นหากแต่ประกายตายังพราวแสงสนุกอย่าห่วงเลยสายสายก็รู้ว่าถ้าเขาจะจับได้ก็ต้องถึงตัวเราก่อนเพราะคอมตัวการที่เข้าถึง CNN จริงๆคือเครื่องของเราและคงไม่มีใครเฉลียวคิดหรอกว่านี่เป็นการสั่งแฮกจากทางไกลทางโทรศัพท์แล้วก็คอมของเรา ไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของอินเทอร์เน็ตแต่มีฐานะเป็นแผงควบคุมอินเทอร์เน็ตทั้งระบบเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครสืบหาได้ว่าเธอเป็นใครใช้เครื่องมาจากประเทศไหนใช่จองเลิกยิ้มพลายอย่างภาคภูมิที่จะอวดยิ่งไปกว่านั้นจะไม่มีระบบใดๆป้องกันการควบคุมจากเครื่องเราได้อีกด้วยตราบใดที่ยังสื่อสารกันด้วยแบบแผนของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันกันอยู่ ขอคาอธิบายให้ซายเข้าใจหน่อยได้ไหมว่าเลิกทำได้ยังไงจองเลิกเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นเขาแสดงแผนที่ประหลาดหลายชิ้นให้หล่อนดูในโปรแกรมนั้นแฮกเกอร์ทั้งหลายมัวเสียเวลาเจาะระบบเป็นแห่งๆแต่เราเสียเวลายาวๆครั้งเดียวเพื่อแฮกอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ ความพยายามของเราคือทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นกระจกใสที่มองลงไปเห็นได้ทั่วตลอดจะลึกกี่ชั้นกว้างไกลกี่ขอบฟ้าทุกอย่างจะปรากฏชัดตามความต้องการของเราโดยไม่มีกำแพงไหนๆมาบดบังได้เราเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายอย่างนี้จากนั้นจองเริฟก็แจกแจงขยายความให้แฟนสาวเข้าใจแจม่มแจ้งนับจากการเปลี่ยนมุมมองเสยใหม่ไม่เห็นอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่มองเป็นแผนที่กลซึ่งมีอยู่หลายมิติหลายระดับชั้นหลายแบบแผนทำองเดียวกับแผนที่ประเทศไทยเขียนขึ้นเพื่อให้เห็นเฉพาะเส้นทางสายหลักก็ได้หรือทำให้เห็นเฉพาะจุดท่องเที่ยวก็ได้หรือทำให้เห็นเฉพาะจุดสำคัญของราชการก็ได้ เมื่อนำแผนที่มิติต่างๆมาทับซ้อนกันเพื่อหาจุดตัดที่ไม่มีใครคาดถึงว่ามีอยู่ก็อาจกลายเป็นปัจจัยสร้างมายากลที่น่าพิศวงขึ้นมาทํานองเดียวกับข้าประตูที่1แต่ไปโผล่ออกอีกประตูหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปผ่านอุโมงค์มหัศจรรย์อันไม่น่ามีอยู่จริงได้คล้ายกับเดวิดคอปเปอร์ฟิล์เคยแสดงโกลเดินทะลุผ่านกำแพงเมืองจีนอะไรทํานองนั้นจองเลิกเปิดเผยที่มาที่ไปจนสิ้นไส้พุง ที่จุดเริ่มต้นเขาทำแค่แผนที่ขึ้นมาเป็นแบบต่างๆมั่วๆด้วยความเชื่อว่าเมื่อนำความมั่วต่างๆมาประสานกันน่าจะลงเอยเป็นการได้แผนที่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนและทฤษฎีเริ่มแบบมั่วๆของเขาก็ถูกต้องเพราะเขาพบจุดซ้อนทับที่ไม่มีใครเคยสังเกตมาก่อนเข้าจริง พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดคือเขาไม่จาเป็นต้องเจาะระบบเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการตรงๆไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดใช้แต่วิธีมุดอุโมงค์มหัศจรรย์เอาโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆมาขัดขวางวิธีสร้างแผนที่ของจองเลิกเริ่มต้นจากเล่กลนสารพัดชนิดนับแต่เช่าซอฟต์แวร์หลายแห่งเพื่อเปิดประตูกลนดักทางข้อมูลรวมทั้งขุดอุโมงคลักแรกๆขึ้น ยิ่งกว่านั้นยังคิดซอฟต์แวร์แจกฟรีที่เสริมความสามารถโปรแกรมเจาะแจะยอดนิยมพอมีคนใช้กันมากเขาก็ได้ตำแหน่งและตัวเลขชิงเทคนิคตามโซนต่างๆรอบโลกหลังจากใช้ความอดทนและหยาดเหงื่อมากมายก็ลุกคื้ไปทีละน้อยได้เหมือนกษัตริย์กระหายอำนาจครอบครองทีละแว่นแคว้นจนรวบรวมเป็นอาณาจักรมหึมาครอบคลุมพื้นที่หลักๆบนโลกอินเทอร์เน็ตไว้เกือบทั้งหมดได้สาเร็จ พูดให้ง่ายคือเขากําลังเป็นจักรพรรดิผู้มีอํานาจชี้เป็นชี้ตายในอาณาจักรอินเทอร์เน็ตอันไพศาลแห่งนี้นัชเลพูดไม่ออกหนุ่มวัยรุ่นตรงหน้าหล่อนเป็นใครคนหนึ่งที่อันตรายหรือประมาณเขาเป็นเอตทัคทะทางการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายมาประติประต่ะตอเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างเหลือเชื่อเป็นอะไรทําไมมองเราอย่างนั้นจองเลิกถามยิ้มยิ้มทั้งปลื่ม เพราะ ร, รู้อยู่ว่าคนรักทึ่งในความสามารถน่าอัศจรรย์ของตนจนตะลึงค้างนัชเลรู้สึกตัวตื่นจากพวังพึมพำว่าอย่างนี้เองเธอถึงเอาโปรแก ร, รมโทรจรันไปวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ได้เรากับเป็นคนในและเข้าออกเปลี่ยนรูปในเว็บติดลม .com ได้เรากับเป็นเว็บมาสเตอร์เคล็ดลับก็คือเป็นเจ้าของมันทั้งอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ จองเลิกซึมลงเล็กน้อยเมื่อนระัชะเล ก, กล่าวพาดพิงถึงโปรแก ร, รมโทรจันอันเป็นเหตุให้มีคนฆ่าตัวตายตลอดมาเราไม่เคยกลั่นแกล้งใครเลยนะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเดือนก่อนปล่อยโทรจันออกไปเล่นงานคนเป็นล้านได้ยังไงเหมือนผีเข้าสิงอย่างน้อยก็ได้เห็นตัวอย่างไงว่าตอนถืออํานาจล้นฟ้าล้นดินไว้ในมือคนเดียวอํานาจนั้นเป็นมหันตภัยใหญ่ได้ขนาดไหนขอแค่โดนผี ชื่อเผลอหลงเข้าสิงให้หน้ามืดแค่วูบเดียวพอเด็กหนุ่มพยักหน้าโชคดีมากที่เรามาเจอสายเสียก่อนความเหลืองอำนาจจะครอบงำเราจนกลายเป็นปีศาจถาวรรู้ไหมเราพบความน่าจะเป็นอย่างหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตนั้นเปราะบางและล้มง่ายเหมือนโดมิโ น, โนเราคิดวิธีล่มเซิร์ฟเวอร์สืบทอดพร้อมๆกันหลายๆเขต ซึ่งจะทำให้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเป็นอมภาาได้ภายในชั่วโมงเดียวต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะฟื้นคืนและเราก็ทำซ้ำได้เรื่อยๆโดยไม่มีใครหาทางป้องกันหรือแก้ไขสิด้วยเราริมรสการถืออาญาสิทธิ์เหนือโลกมาจริงๆรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเจ้าและมนุษย์เป็นแค่กลุ่มลูกไก่ในมือที่บีบก็ตายใครก็รอดมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และเย้าวยวนอธิบายยาก อำนาจมืดมีจริงและเหมือนหลุมดําที่รอให้เราเก้าวลงไปเต็มๆ ต, ตัวเท่านั้นนาทีที่พบอำนาจการทำลายนั้นทำไมเธอไม่ใช้มีอะไรมายับยั้งไว้หรือก็แค่ด้วยคำถามเดียวที่เกิดขึ้นในหัวใจจะทำไปทำไมนัชเลระบายยิ้มอ่อนคำถามคำเดียวนั้นแหละตัดสินว่าเธอมีสำนึกของความเป็นมนุษย์อยู่โดยบริบูรณ์แล้วหล่อนก็กระตุ้นให้คิดเอาละ เธอมีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่ในมือสองอย่างเงินพันล้านหนึ่งอินเทอร์เน็ตทั้งระบบอีกหนึ่งคนอื่นเขามีแล้วอยากก่อการร้ายกันน่าคิดว่าถ้าทำให้เป็นตรงกันข้ามเราจะก่อการดีอะไรได้บ้าง เมื่อกี้ตอนนั่งแท็กซี่เข้ามาในซอยเราเห็นบ้านอยู่หลังหนึ่งประกาศขายเราจะซื้อไว้เพื่อให้ได้มาขอคำปรึกษาจากทรายบ่อยๆแล้วเขาก็ผนึกสายตาตนเข้ากับสายตาหลอนสนิทแนบซรายจะเป็นป้ายบอกทางให้ชีวิตเราเด็กสาวก็พริบตาส่งประกายหวานให้แฟนหลอนสัมผัสชัดถึงอำนาจในตัวเขาที่อยากทําอะไรก็ได้สุดแล้วแต่จะพอใจขณะเดียวกันก็เห็นชัด ตามจริงว่าความน่าลหลงไหลของผู้หญิงทําให้หล่อนอยู่เหนืออำนาจทั้งหมดในตัวเขา